ธรรมบทแปลเรื่องที่100เรื่องเศถีชื่อพิลาละปัะกะภาคที่5เรื่องที่6ของวรคที่9้าป้าปวักวันานาข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันท่งปราลรบเศถีชื่อพิลาละปัะกะเศถีตีนแมวตรัสพระธรรมเทศนานีว้ว่า มาว่ามันเยทะปุญยสะเป็นตน้นตอนให้ทานเองและชวนคนอื่นได้สมบัติสองอย่างความพิสดารว่าสมัยหนึ่งชาวเมืองสาวัตถีพากันถวายทานแด่ภิกษุสงค์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานโดยเนื่องเป็นพวกเดียวกันอยู่มาวันหนึ่งพระสาสดาเมื่อเจะทรงทมอนุโมทนา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 ในที่แข่งตนเกิดแล้วเกิดแล้วตอนบัณฑิตเรียรายของทาบุญครั้งนั้นบัณฑิตบุรุษผู้หนึ่งฟังธรรมเทศนานั้นแล้วคิดว่าแม้เหตุนี้น่าอัศจรรย์บัดนี้เราจะทำกรรมที่เป็นไปเพื่อสมบัติทั้งสองจึงกราบทูลพระสัส ด, สดาในเวลาเสด็จลุกไปว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพรุ่งนี้ขอพระองค์จงรับภิกษาของพวกข้าพระองค์พระสัสดาก็ท่านมีความต้องการด้วยภิกษุสักเท่าไรบุุษภิกษุทั้งหมดพระเจ้าค่าพระสัสดาส่งรับแล้วแม้เขาก็เข้าไปอย่างบ้านเที่ยวเปล่าร้องว่าข้าแต่แม่และพ่อทั้งหลาย ข้าพเจ้านิมนต์ภิกษุสอ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเพื่อฉันพระทหารในวันพรุ่งนี้ผู้ใดอาถวายแก่ภิกษุทั้งหลายมีประมาณเท่าใดผู้นั้นจงให้วัตถุต่างๆมีข้าวสารเป็นต้นเพื่อประโยชน์แก่อหารมียาคูเป็นต้นเพื่อภิกษุทั้งหลายมีประมาณเท่านั้นพวกเราจักให้หุงต้มในที่แห่งเดียวกันแล้วถวายทาน ตอนเหตุที่เศรษฐีมีชื่อว่าพิลาลปัทกะทีนั้นเศรษฐีคนหนึ่งเห็นบุรุษนั้นมาถึงประตูร้านตลาดของตนก็โกรธว่าเจ้าคนนี้ไม่นิมนต์ภิกษุแต่พอกำลังของตนต้องมาเที่ยวชักชวนชาวบ้านทั้งหมดจึงบอกว่าแกจงนำเอาภาชนะที่แกถือมาดังนี้แล้วเอานิ้วมือสามนิ้ว ให้ได้ข้าวสารหน่อยหนึ่งถั่วเขียวถั่วราชมาก็เหมือนกันแลตั้งแต่นั้นเศรษฐีนั้นจึงมีชื่อว่าพิลาละปักทกษเศรษฐีแม้เมื่อจะให้เพศรรัตมีเนยใสยและน้ำอ้อยเป็นต้นก็เอียงปากขวดเข้าที่หม้อทำให้ปากขวดนั้นติดเป็นอันเดียวกันให้เพศัตมีเนยใสยและน้ำอ้อยเป็นต้นไหลลงทีละหยดละหยด ได้ให้หน่อยหนึ่งเท่านั้นอุบาสกรรทำวัตถุทานที่คนอื่นให้โดยรวมกันแต่ได้ถือเอาสิ่งของที่เศรษฐีนี้ให้ไว้แผนกหนึ่งต่างหากตอนเศรษฐีให้คนสนิทไปดูการทำของบุรุษผู้เรียรายเศรษฐีนั้นเห็นกิริยาของอุบาสกนั้นแล้วคิดว่าทำไมหนอ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 ใส่ถั่วเขียวถั่วราชมาดบ้างอยาดน้ำมันและอยาดน้ำอ้อยเป็นต้นบ้างลงในภาชนะทุกๆภาชนะจูรุ ป, ปรถากไปบอกแก่เศรษฐีแล้วเศรษฐีฟังคำนั้นแล้วจึงคิดว่าหากเจ้าคนนั้นจะกล่าวโทษเราในท่ามกลางบริษัทไซพรามันเอ่ยชื่อของเราขึ้นเท่านั้นเราจากประหารมันให้ตายในวันรุ่งขึ้นจึงเหน็บกริบ ไว้ระหว่างพานุ่งแล้วได้ไปยืนอยู่ที่โรงครัวตอนฉลาดพูดทำให้ผู้มุ่งร้ายกลับอ่อนน้อมบุุษนั้นเลี้ยงดูพิกสุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เริญข้าพระองค์ชักชวนมหาชนถวายฐานนี้พวกมนุษย์ที่ข้าพระองค์ชักชวนแล้ว ในที่นั้นได้ให้เข้าวสารเป็นต้นมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังของตนขอผลอันไพศาลจงมีแก่มหาชนเหล่านั้นทั้งหมดเศรษฐีได้ยินคำนั้นแล้วคิดว่าเรามาด้วยตั้งใจว่าพอมันเอ่ยชื่อของเราขึ้นว่าเศรษฐีชื่อนน้น์ถือเอาเข้าสารเป็นต้น้ดยหยิบมือให้เราก็จะฆ่าบุรุษนี้ให้ตาย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 เศรษฐีนั้นมอบลงเท้าเท้าของอุบาสกนั้นแล้วกล่าวว่านายขอนายจงอดโทษให้ผมด้วยและถูกอุบาสกนั้นถามว่านี่อะไรกันจึงบอกเรื่องนั้นทั้งหมดพระศัสดาทรงเห็นกิิยานั้นแล้วตรัสถามผู้ขวนขวายในฐานว่านี่อะไรกันเขากราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดตั้งแต่วันที่แล้วแล้วมา ตอนยาดูหมิ่นบุญว่านิดหน่อยทีนั้นพระสัสดาตรัสถามเศรษฐีนั้นว่าในว่าเป็นอย่างนั้นหรือเศรษฐีเมื่อเขากราบทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่าตรัสว่าอุบาสกขึ้นชื่อว่าบุญอันใครๆไม่ควรดูหมิ่นว่านิดหน่อยอันบุคคลถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเช่นเราเป็นประธานแล้วไม่ควรดูหมิ่นว่าเป็นของนิดหน่อยด้วยว่าบุรุษผู้บัญดิตทำบุญอยู่ย่อมเต็มไปด้วยบุญโดยลำดับแน่แท้เปรียบเหมือนภาชนะที่เปิดปากเต็มไปด้วยน้ำฉะนั้นดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนที่แสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่า มาวะมันเยทะปุญญาาะสะนมตังอากมิสติอุดะบินดุนิปาเตนะอุดะกุมโพปิปุรติปุรติทีโรปุญญะสะโทกังโทกังปิอาจินันติบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่านิดหน่อยจักไม่มาถึงแม่หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยดน้ำที่ตกลงมา ทีละหยาดทีละหยาดได้ฉันใดทีละชนสังสมบุญแม้ทีละน้อยละน้อยย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉะ น, นั้นแก้อัดเนื้อความแห่งพระกาถานั้นว่ามนุษย์ผู้บัณฑิตทำบุญแล้วย่าดูหมิน่นคือไม่ควรดูถูกบุญอย่างนี้ว่าเราทำบุญมีประมาณน้อยบุญมีประมาณน้อยจักมาถึง โดยอำนาจแห่งวิบากก็หาไม่เมื่อเป็นเช่นนี้กรรมนิดหน่อยจกเห็นเราที่ไหนหรือว่าเราจะกหินกรรมนั้นที่ไหนเมื่อไหร่บุญกรรมนั้นจะเพลิดผลเหมือนอย่างว่าภาชนะดินที่เขาเปิดฝาตั้งไว้ย่อมเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาไม่ขาดสายได้ฉันใดทีลชนคือบุรุษผู้เป็นบัณฑิต เมื่อสั่งสมบุญทีละน้อยละน้อยชื่อว่าเต็มด้วยบุญได้ฉะนั้นในการจบเทศนาเศรษฐีนั้นบรรลุโสดาปฏิผลแล้วพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทที่มาประชุมกันดังนี้แลเรื่องเศรษฐีชื่อพิลาละปทกะ